คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เมสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทั ญ, ญบุรีให้บริการทรงเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยปลิตภัฑ์จากธรรมชาติทรีตเมนต์ทุกส่วนของร่างกาย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 เกข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงษ์เทนทวายและอาทิตยาปักทานังทาง f m 8 9 5มแเกหมเ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 ฮอตฮิตนะฮะในมุมมองของคนสไตล์วิทยุนะฮะมาพูดคุยกันที่นี่นะฮะวิทยุราชเชียงมงคนทันเยบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับมาพร้อมกับคุณอทิตยาประกาศนังและผมปียพงษ์เคนทวายครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีคุณปียพงษ์ด้วยนะคะเป็นยังไงปียพงษ์ในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ข่าวเป็นห่วงที่บ้านอยู่เหมือนกันติดตามโคุณ ต, ตามทุกวนันตอนนี้นะ ฮลุสถิติปี45หไปเรียบร้อยแล้วนะครับ45หคือมีน้ำท่วมเกิดขึ้นมาก่อนใช่ก็คือน้ำสูง10เมตร80เซนติเมตรโอ้ก็ก็ดูว่าสูง10เมตร80อันนี้ร8 0ใช่ไหมคือคือเขาวัดจากปริมาณของแม่น้ำแม่น้แม่น้มก็คือปริมาณน้ำเนี่ยสูงเท่ากับปีเท่ห้าตอนนี้คือสูงเท่ากับปี45หนะครับแล้วก็ หลายพื้นที่ที่เป็นจุดเดิมที่เคยท่วมก็ท่วมแล้วและปีนี้สังเกตได้ว่าหลายพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมหนักกว่าเดิมนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเมืองขยายพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงนะครับผมเคยเคยจัดในอีกรายการหนึ่งก็เราวิเคราะห์กันไปว่าพื้นที่ที่เคยเป็นแก้มลิงของตัวเมืองหลายจุดถูกพัฒนาเป็นบ้านพักอาศัยเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายพื้นที่จุดแก้มลีมันก็เลยหายไปน้าบางจุดมันก็เลยไม่ได้ถูกเข้ามาเก็บกักไว้มันก็เลยเอ่อล้นเข้ามาในหลายจุดตอนนี้ก็มาทางวัดสีประดูนะครับมาอ้อมมาฝั่งนี้จวนจะถึงโรงพยาบาลคือส่วนนึงเองโรงพยาบาลสัมปสทิที่ประสงค์เองเนี่ยก็หรือโรงพยาบาลใหญ่ที่คนอุบลเขาเรียกกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเร่งที่จะ ป้องกันป้องกันเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเขาก็ผวงว่าวัวน้ําจะมาตามท่อระบายน้ำที่บ้านผมเองก็อยู่ในติดกับเทศบาลนครอุบลเลยผู้ฟังเขาอย่างนี้ติดกับที่เดินโรงพยาบาลเนี่ยไม่ไหวแล้วปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องโดนแน่เลยใช่ไหมคือมันจะอ้อมตอนนี้มันมันเริ่มอ้อมเข้ามาอ้อมเข้ามาข้างบ้านนะครับคือหน้าบ้านผมเนี่ยถ้ามองออกจากหน้าบ้านไปเนี่ยประมาณสัก2แยกเนี่ยสอถนนเนี่ยก็จะเป็นตลาดใหญ่ ตลาดใหญ่ติดกับแม่น้ํามูลคือตอนนี้น้ํำคือตอนนี้ตลาดเนี่ยขึ้นตลาดหรือยังดีกว่าขึ้นตะลิ่งอยู่แบบเสียวๆใช่ไหมแต่ว่าก็มีหมู่บ้านหนึ่งก็ฟังมีหมู่านหนึ่งที่อุบลนะเห็นคุณแชร์มาผมก็เพิ่งเจอนะหมู่บ้านอะไรนะริเวอร์นะเดี๋ยวริเวอนะเขาก็มีการแชร์ข้อมูลมาว่าเป็นหมู่บ้านที่ตอนที่ซื้อขายกันเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นหนึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าหมู่บ้านเนี่ยไม่ท่วมแน่นอนเพราะว่ายกคันดินสูงนะก็มีคนมาแชร์ข้อมูลกันว่าเออ นาตอนนี้เดอะริเวอร์เนี่ยรอดจริงวันนี้ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่หลายพื้นที่ก็เริ่มถูกตัดไฟกันไปแล้วแล้วก็บางพื้นที่เองเขาก็เฝ้านะผมก็เชื่อว่าบางคนเนะเฝ้าบ้านกลัวของหายก็ธรรมดานะคนที่เคยไปเจอปัญหาผนเข้าใจเข้าคนแก่นะอย่าพูดเขาไม่อยากทิ้งบ้านเลยนะ เ อ, เอาตามจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากทิ้งบ้านเลยเพราะว่ า, ากลัวว่าถ้าไม่อยู่บ้านปุ๊บเนี่ยมันจะมีขโมยเนี่ยพายเรือเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็มีน อ, นอกจากวันนี้คุณผู้ฟังนอกจากน้ําท่วมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้มันมีข่าวหนึ่งที่พูดถึงคนอุบลอืว่าต้องเตรียมรับมื อ, อยังไงบ้างเขาบอกว่าอ่ามันจะมีเรื่องของการประกาศเตือนเกี่ยวกับเรื่องของชิ้นส่วนชนวนของอากาศยานอาที่ทางจีนเนี่ยเขาเหมือนเตรียมเหมือนเป็นตัว การปล่อยจรวดขึ้นไปนะแล้วมันก็ถูกปล่อยลงมาตอนเขาคาดว่ามันจะตกอยู่ในแถบนี่แหละฮะอุบลราชธานียะโสอํานาจเจริญส่วนหนึ่งก็จะมีหลายพื้นที่เขาก็เฝ้าระวังกันอยู่อาจจะเป็นสเก็ตดชิ้นส่วนเล็กๆแล้วก็เขามีการพูดถึงว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดนะอันนี้เขามีการพูดกันนะชิ้นส่วนอากาศยานได้ยินอยู่ทางสำโรงน้ํายืนเดชนนคูนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอย่างไรอรอการติดตามรอการ ตรวจสอบไปอีกทีนึ่ง<ก>ล้กัน็ต้องติดตามหน่วยงานภาครัฐกันน ะ, นะคะเอามาเริ่มต้นเรื่องราวกันดีกว่าในมุมนึงของน้ําท่วมนะตอนนี้ไปกําลังใจกับพี่น้องโดยเฉพาะในภาคอีสานด้วยนะคะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเหล่าชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็คนที่ชอบการบริโภคเรื่องน้ํา <คน S 1> เหมือนกันมาแล้วนะคะในเดือนหนึ่งตุลาคมนี้นะคะกับการขึ้นภาษีน้ําหวานนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับกรมสรรพาิตเองเตรียมที่จะปรับภาษีเรื่องของเครื่องดื่มนวัตกรรมต่ํากว่าน้ําอัดลมนะครับพร้อมที่จะไปพูดถึง โยงโยงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเบียร์ที่เป็น แอลกอฮอล์ 0% เราจะเห็นว่าแบรนด์หนึ่งที่เริ่มเริ่มออกมาแล้วก็ PR ออกมาอย่างสุดฤทธิ์ว่าเออโอเคแหละเขาเป็นแอลกอฮอล์ 0% แล้วเขาบอกว่าเอาทานได้ไงเขาบอกว่าเดียวจะมีการเหมือนว่าเช็คบินน่าจะไม่รอดนะเพราะว่าเพื่อป้องกันส่วนหนึ่งคือป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับค่ะเรื่องรานี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณอุตมะสัมวนาญนะคะก็มีการมอบนโยบายให้กับผู้บริหารของกรมสรรพสานมิตรจัดเก็บภาษีสุราเบียยาสูบให้รายกลุ่มมากขึ้นนะคะและเร่งนำอีสตร จะเก็บภาษีค่ะเพื่อป้องกันการรั่วไหลรวมถึงภาษีน้ามันที่ส่งออกไปแล้วนํากลับเข้ามาในประเทศนะคะให้เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมภาษีอื่นๆโซภาษียาสูบที่จะมีการปรับขึ้นเป็นสีซในปีหน้านั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเรียกร้องและผลกระทบของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะในอนาคตค่ะจะมีการผลิตและนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถมากขึ้นก็มีการเห็นควรด้วยว่าน่าจะมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อดูแลการกําจัดแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้เกิด มลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะอามาที่เรื่องของการปรับขึ้นภาษีน้ำตาลกันบ้างเปียวโพกยัง<า>ไงการปรับขึ้นภาษีน้ำตาลในครั้งนี้เนี่ยจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนะครับล่าสุดทางกรมสรรพ า, าตรอยู่ระหว่างการพิจารณาในการปรับ อัตราภาษีกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ใหม่ด้วยค่ะโดยจะมีการจัดกลุ่มเครื่องดื่มแยกประเภทใด้ชัดเจนมากกว่าเดิมอย่างเช่นกลุ่มของเครื่องดื่มฟังชั่นแนลดริงหรือเครื่องดื่มนวัตกรรมเช่นอะไรน้ำเปล่าที่มีส่วนผสมอย่างเช่นมีคอลลาเจนมีวิตามินซีมีอะไรนะกลิ่นสละเคยได้ไหมน้ำเปล่าแต่มีกลิ่นมีรสเป็นเครื่องดื่มนวัตกรรมเขาบอกว่าที่มีผลดีต่อสุขภาพตัวนี้เขาจะมีการปรับลดอัตราภาษีลงจากการที่จัดเก็บเท่ากับ เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ 14% บัวกภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันไปใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้ามากขึ้นด้วยนะครับส่วนเครื่องดื่มประเภทเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือ 0% จากที่จัดเก็บภาษีเท่าน้ำอัดลมจะมีการแยกพิกัดใหม่ให้สูงกว่าน้าอัดลมแต่ต่ำกว่าเบียร์เท่ากับว่าอยู่แค่ระวาง เบียกับน้ำอโรลานะฮะเพื่อลดการบริโภคของคนรุ่นใหม่และคาดว่าจะได้ข้อสรุปว่าตัวเลขจะออกมาจัดเก็บจริงๆเท่าไหร่คือไม่รอดแน่แล้วว่าอย่างนั้นนะคะปัจจุบันนี้ค่ะกรมสรรพสานมิตรเองนะคะมีการจัดเก็บรายได้ภายใต้ภาษีความหวานอยู่ที่2 0 0 0ันถึงสามพล้านบาทต่อปีนะคะโดยตราภาษีใหม่ที่จะปรับแบบขั้นบันไดนี้จะมีผลในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งจะทําให้กรมสรรพาสานมิตรมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,500 ล้านบาทหรือที่เป็นรายได้จากภาษีน้ำหวานที่ 3,500 ร้อยถึง1ี่0ัล้านบาทต่อปีเลยนะคะขณะที่การจัดเก็บภาษีภาพรวมของกรมสาารรพากมิตรในปี2องพอยู่ที่5้าจุดแสนล้านบาทและปีหน้าตั้งเป้านะคะว่าอยู่ที่6 4จุดสแสนล้านบาทค่ะซึ่งมั่นใจว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะทางนี้ค่ะตั้งแต่1ตุลาคมปี2องพักถึงสากันยายนปีสองพร้อยหกสิเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาล น, นะคะไม่เกิน10กรัมต่อ100มิลลิกรัมเก็บภาษีเท่าเดิมที่30 สตางค์ต่อลิตรนะคะเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน10กรัมไม่เกิน14กรัมต่อ100มิลลิกรัมเก็บภาษี1บาทต่อลิตรจากเดิมนะคะอยู่ที่ 50สตางค์ต่อลิตรนะคะเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลเกิน14กรัมไม่เกิน18กรัมต่อ100มลลเสียภาษี3บาทต่อลิตรค่ะจากเดิมคิดอยู่ที่1บาทต่อลิตรนะคะและมีปริมาณน้ําตาลเกิน18กรัมต่อ100มอ่มลตรนะคะเสียภาษี5บาทต่อลิตรและจะมีการปรับภาษีแบบขั้นบันไดแบบเท่าตัวด้วยอีกครั้งในช่วงวันที่1ตุลาคมปี64นะคะและ1ตุลาคมปี 2,500 66เป็นต้นไปค่ะใครที่ทานอยู่ส่วนหนึ่งก็เพื่อสุขภาพนะครับว่าที่ออกมาผับปรับราคาสูงแบบนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐก็บอกว่าก็เพื่อที่จะลดการบริโภคเหยาพงเขาบอกว่ามี2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือราคาเท่าเดิมแต่ว่าความหวานไม่เหมือนเดิมลดลงครับทางเลือกที่2คือหวานเหมือนเดิมแต่ราคาเพิ่มขึ้นจะเลือกแบบไหนหรือจะเป็นในส่วนของคนที่เป็นผู้ผลิตเองเนี่ยนะฮะผลิต นะส่วนผสมอื่นๆประกอบอื่นทําให้นั่นแหละสิอาจจะมีอาจจะมีณทนในส่วนอื่นไหมหรือลดปริมาณลงไหมอ่าต่อลิตรอย่างที่บอกครับนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ต้องเตรียมรับมือนะครับหลังจากนี้นะครับเรื่องของการเดินทางนะการเดิคือคุะคุณเป็นคนอย่างนึงคนหนึ่งที่ขับรถจักรยานยนต์ได้มอเตอร์ไซค์ได้ช่แล้วอ่าแต่ก็ไม่ได้ออกมาเฉลี่ยกลางเมืองนะอเรามีโอกาสได้นั่งรถ หลากหลายรูปแบบรถมีรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รถยนต์ทั้งขับเองแต่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกถนนใหญ่ถึงแม้ว่าจะนั่งรถวินมอเตอร์ไซค์ก็ตามอย่างแรกเลยก็คือเราก็กลัวเหมือนกันเอาตามความจริงนะเพราะก็ไม่รู้ว่า ความชวัดชเวียนหรือว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างพี่วินของเราอะนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็มีข้อคําถามซึ่งหลายหายท่านเองเนี่ยพอฟังปุ๊บเนี่ยสายหัวเลยนะเพราะว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะโดยเฉพาะคนที่ขับขี่รถขับรถยนต์อยู่แล้วเนี่ยมองว่ามันน่าจะเป็นปัญหามากกว่าคือตอนนี้แม้จะมีกฎหมายตัวหนึ่งที่บอกว่าห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์ะนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นบางสะพานอปกติอยูุุ่ฟังเราไม่ได้ว่าการแต่คือความจริงก็ยังมีขึ้นอยู่แบบ ประจําถามว่าในฐานะคนที่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ขับรถยนต์เนี่ยนะฮะผมจะเห็นนะปกติปกติเนี่ยตามหลักกฎจราจรจริงคือจักรยานยนต์หรือจักรยานรถคุณจะต้องมีคิดซ้ายคุณจะต้องมีคําพูดหนึ่งขึ้นมาในหัวว่ามันขึ้นมาไม่ได้นะคือคือมันก็คือไม่ได้แต่เราแต่เขาก็ขึ้นไงแต่ความหมายคืออย่างเงี้ยฮะด้วยความเราเราก็เขาขึ้นมาอยู่แล้วทํายังไงเพื่อที่จะมีน้ําใจอะไรอย่างนี้ว่ามีน้ําใจให้กับเพื่อร่วมทาง ตอนนี้จะสังเกตนะผู้ฟังนะล่องกลางเนี่ยที่เป็นเส้นจราจรเนี่ยรถยนต์ที่สมมติว่าเป็น2เลนรถยนต์ซ้ายขวาเขาก็จะเบี่ยดเปิดทางให้อย่างงี้แล้วเหรอจริงๆเอาคุณอานี้คือความจริง <นะ S 1> เราพูดความจริงสังเกตดู ค, คือคือเพราะว่าส่วนหนึ่งคือถ้าถ้ายิ่งเบียดมันก็จะทําให้การเดินทางของมอเตอร์ไซค์เนี่ย เขรีกเาต้องปาดปาดซ้ายปาดขวาเรามากขึ้นแล้วมันอันตรายกับคนที่ขับรถยนต์ อ, อันนี้มันน่ากลัวก็คือเราก็เ ป, เปิดช่องกลางให้เขาวิ่งเลยโดยเฉพาะคนที่แบบว่าต้อเรียกว่ า, าไม่ชํานาญใช่ไหมคือคือมันก็เป็นเป็นภาพส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เราเราจะจะพูดว่าสนสนุนหรือไม่สนสนุก็ตามนะฮะแต่ว่านักการที่เราเกิดการขับรถอย่างเงี้ยเป็นประจําอยูุ่ทุกวันเนี่ยเราก็ทํำยังไงคือเราเองเนี่ยไม่ต้องไปชนเขาแล้วทํำยังไงเขาไม่ชนเรา คือเราทำยังไงให้เขามาชนเราด้วยด้วยคือเราก็เรี่ยงไงคือเปิดทางให้เขาเรามีเลนของเราแล้วก็ปล่อยเลนเขาให้เขาอ้าวเขาวิ่งใช่ไหมคุณวิ่งก็วิ่งไปแล้วก็ไม่ได้แบบ๊ไม่วิ่งเราก็จะแบบบล็อกเลนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะฮะอ้าวแต่ทางนิดาโพเองได้ออกมาพูดถึงเรื่องของประชาชนสักนิดหนึ่งสํารวจความคิดเห็นเลยว่าไม่เห็นด้วยกับการให้รถจักรยานยนต์ขึ้น แยกลอดอุนะโมงค์นะครับถึงร้อยละ 51.12 เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดอั น, อนตารายได้ง่ายฮะอ่าใช่แล้วค่ะผลสํารวจความคิดเห็นนะคะของนิดาโพค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะคะเป็นผลการสํารวจประชาชนในเรื่องสิทธิรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยกลอดอุโมงค์นะคะซึ่งสํารวจในระหว่างวันที่1 0บถึงสิกันยายนที่ผ่านมาประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกการศึกษาและอาชีพทั้งหมดหนึ่หน่วยตัวอย่างหรือว่า คนด้วยกันนะคะเมื่อมีคำถามแรกเขาบอกว่ายานพาหนะที่ประชาชนใช้ในการเดินทางมีอะไรบ้างส่วนใหญ่นะคะ 59.09% บอกว่าใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 23.60% บอกว่าใช้รถโดยสารประจำทางรถเม์รถสองแถวนะคะบอกว่าใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล11อ บอกว่าใช้บริการรถแท็กซี่ 9.73 บอกว่าใช้บริการรถไฟฟ้า BTS Airpod Railink l 6.06 บอกว่าใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ 3.75 บอกว่าใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 3.11 ใช้บริการรถตุ้โดยสารสาธารณะ 1.20 บอกว่าใช้บริการเรือโดยสารและ 0.32 ระบุอื่นๆนะคะก็คือมีรถยนต์ของบริษัทที่ทํางานแล้วก็มีรถจักรยานค่ะามาดูความคิดเห็นสักนิดหนึ่งว่าถ้าอนุญ รถจักรยานขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นสะพานขั้นแยกลอด<ะ>อุโมงค์ทัวกรุงเทพจะเป็นอย่างไรร้อยละ 51.12 บอบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับเพราะ สะพานข้ามแยกค่อนข้างชันไม่เหมาะกับรถจักรยานยนต์และเพราะส่วนใหญ่รถที่ใช้สะพานข้ามแยกอุโมงค์เนี่ยจะใช้ความเร็วค่อนข้างสูงและอาจจะเกิดอันตรายได้ง่ายอันนี้คือจริงค่ะรองมาคือร้อยละ 40.75 บอกว่าเห็นด้วยนะมุมนึงเขาบอกเห็นด้วยเขาบอกว่าก็เพื่อรถกายจราจรที่ติดขาดนะเพราะว่าบางทีจักรยานยนต์เขาจะข้ามไปแยกนู้นช่วโมงเร่งดวนมันก็ติดกันแบบโอ้โหมาจะมาร้อข้างล่างก็หืมเออลายเมตรเลยเขาบอกว่าจะช่วยระบายรถได้ดีขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วนขณะที่บางส่วนระบุ S <S ให้ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเลยในสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับหรือจะเป็นรัละ 4.94 บอกว่าเฉยๆนะยังไงก็ได้ฉันก็ขับได้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะฮะหรือรัละ 1.99 บอกว่าเห็นด้วยกับการให้ขึ้นสะพานข้ามแยกแต่ไม่เห็นด้วยให้ลอดอุโมง เพราะและบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการให้ขึ้นสะพานข้ามแยกแต่เห็นด้วยในการลดอุโมงคือเรื่องสักอย่างเอเห็นด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งการที่บางส่วนระบุว่าอนุญาตให้ใช้เฉพาะบางจุดในชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้นเอออันนี้ก็มีอีกมุมนึ่งหรือละหนึ่งบอกว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจเออไม่มีความเห็นนี้ในหัวว่าอย่างนั้นแต่ทีฉันโมบอกว่าเออมันมีเรื่องน่าสนใจที่บอกว่าชั่วโมงเร่งด่วนพงษ์เอออันนี้น่าจะน่าจะไปคํานวณกันว่าเป็นยังไงใช่ตอนนี้ติดไม่ไหวแล้วใช่แล้วนะ พักกั น, นสักครู่นะหนึ่งก่อนนะฮะช่วงหน้ามาดูเรื่องของต้นทุนของเด็กไทยสันิดหนึ่งเขาบอกปัญหาเรื่องการศึกษาความเหลื่อมล้ําเป็นอย่างไรบ้างในยุคนี้สมัยนี้สักครู่เดียวได้กลับมาครับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย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 ติดตามในช่วงนี้นะคะกรอบข่าวเช้าวันศุกร์แหมเมื่อสักครู่นะไปต่อรองอะ <laughs> <laughs> ในช่วงพักนะคะเอา<ม>ละครมาติดตามในช่วงนี้กันบ้างนะคะกับเรื่องราวของผลสำรวจนี้นะคะสชคะ่ะหรือว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเรียกกันว่าสภาพัทนี่นะคะเขามีการสำรวจบอกว่า เด็กไทยเนี่ยนะคะมีความยากจนเนี่ยมากกว่า21และพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการศึกษาค่ะซึ่งทําให้เกิดความเหลื่อมล้านะคะมุฟฟังคะขณะที่ภาคอีสานนั้นมีเด็กยากจนสูงสุดรองลงมาคือเด็กในภาคเหนือค่ะคือทางด้านของเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชนะครับศาสตราจารย์ดรทศพรเซริสัมพันธ์ท่านเปิดเผยเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลความยากจนของเด็กไทยโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดพบว่าค่าเฉลี่ยของความยากจนของเด็กไทยอยู่ ที่ยี่เอหรือราว1ใน5ของเด็กทั้งหมดนะครับส่วนตัวเลขของความรุนแรงทางการยากจนของเด็กไทยสูงถึง 34. มเจซึ่งจังหวัดที่มีความยากจนรุนแรง3อันดับแรกเรียงตามลำดับเลยนะครับนั่นคือกาฬสินธุ์4ีอร์เซแม่ฮองสอนและก็ปัตตานีสําหรับการแบ่งเป็นรายภาคนั้นเพราะว่าอีสานครับมีเด็กยากจนที่สุดรองลงมาก็คือทางเหนือด้านสาเหตุ ข, ของความยากจนมาจากการศึกษาที่สูงที่ สุดนะครับ41รซควบคู่ไปกับเรื่องของโภชนาการ15คุณภาพความเป็นอยู่15ดังนั้นการศึกษาก็คือปัญหาหลักที่เด็กไทยขาดแคลนด้วยท่านเลขาธิการบอกอีกนะครับว่าการเก็บข้อมูลของอปัจจุบันพบว่าเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบจำนวนมากไม่มีหนังสืออ่านและเด็กอายุ4ขวบขึ้นไปจำนวนมากไม่ได้เข้าโรงเรียน อีกทั้งคุณภาพชีวิตของเด็กจำนวนมากก็มีสภาพไม่สู้ดีนักทั้งการไม่มีตัวตนในทะเบียนประชากรและความรุนแรงภายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นตามภาวะของสังคมนะครับอีกทั้งเด็กยังขาดความอบอุ่นโดยเฉพาะเด็กชนบทที่พ่อแม่ต่างต้องไปทำงานในหัวเมืองใหญ่จึงต้องทิ้งเด็กไว้กับญาติหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาทวยาย ที่จะต้องเลี้ยงดูแทนเป็นเรื่องปกติเนาะนี่หละท่านฟังก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติ ม, มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเกิดขึ้นนะฮะในต่างจังหวัดแบบนี้น อ, นอะไรเงรี้ยเขาก็มองแบบนี้กันถูกต้องแล้วนะคะขณะที่คุณมนทิพย์สัมพันธ์วงศ์นะคะผู้อำนวยการพัฒนาฐานข้อมูลและภาวะสังคมสสชนะคะบอกว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนหลายมิติ ข, ของเด็กในแต่ละภูมิภาคนั้นมีความต่างกันค่ะอย่างเช่นในภาคอีสานเองนะคะจะมีปัญหาเรื่องของสวัสิภาพเด็กมากที่สุดส่วนภูิภาคอื่นๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะซึ่งเเมมมอแแยยกกตาาาุด็ล้้วนีี พบว่าร้อยละ42ของเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง4ปีนะค ะ, ะเผชิญความยากจนหลายมิติมากที่สุดโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ค่ะกลุ่มวัยรุ่น 15- บหถึงสิปีเป็นกลุ่มที่ประสบกับความรุนแรงความยากจนหลายมิติในระดับที่รุนแรงที่สุดนะคะโดยเฉพาะในด้านของการเรียนรู้เช่นกันเนื่องมาจากว่าเด็กนั้นหลุดออกจากระบบการศึกษาเพื่อมาช่วยเหลือพ่อแม่นะคะขณะที่กลุ่มเด็ก1 2บสถึงสิปีจะพบปัญหาเรื่องของสภาพความเป็นอยู่และโภชนาการด้วยสาเหตุที่เด็กนั้นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะเมื่อ แยกตามเพศก็พบว่าเพศชายเนี่ยมีความยากจนหลายมิติที่สูงกว่าเพศหญิงค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าหัวหน้าครัวเรือนนั้นมีการศึกษาระดับที่ต่ำนะคะเด็กๆในครัวเรือนนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีกา ร, รเผชิญกับความยากจนหลายมิติด้วยความยากจนของเด็กไทยนั้นมีตัวเลขดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นคำอ่าชี้แจงของคุณมนทิพนนะคะเช่นเดียวกับคุณภาพการใช้ชีวิตเพิ่มเติมเช่นกันนะคะเป็นส5จากเมื่อปี2006ที่มีสัดส่วนที่ส6สําหรับปัจจัยที่มีการสนับสนุ ให้เด็กในประเทศไทยมีความยากจนลดลงก็คือปริมาณของอคนจนในไทยน้อยลงนะคะอีกทั้งประชาชนเนี่ยยังสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้มากขึ้นอย่างไฟฟ้าน้ําประปาถนนแล้วก็สาธนารณสุขนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบที่เด็กไทยนั้นยังดีกว่าเด็กในประเทศอื่นๆเมื่อเทียบกับกลุ่มชาติในตะวันออกกลางหรือว่าแอฟริกาค่ะ คือมาดูสิ่งที่อยากจะเสนอต่อภาครัฐมีอะไรกันบ้างเขาบอกว่าจะผลักดันนโยบายที่ช่วยเหลือเด็กให้มีคุณภาพชีวิตมากที่สุดเพื่อต่อสู้กับความท้าทายครั้งสำคัญของประเทศยกตัวอย่างเช่นนโยบายมารดาประชารัฐซึ่งจะมีการมอบเงินให้คุณแม่ตั้งแต่วันแรกที่ตั้งครรภ์มีค่าทำคลอดมีเงินให้เด็กต่อเนื่องเดือนละ 2,000 บาทจนครบ6 ปีสอดคล้องกับผลการศึกษาที่เด็กอายุ0ถึง4ปีในไทยเนี่ยมีสัดส่วนความยากจนก็บอกว่าเงินส่วนนี้นก็อาจจะไปช่วยแบ่งเบาภาระช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตขึ้นเกิดขึ้นมาได้นะครับนอกจากนี้เรื่องของภาครัฐเองควรรักษานโยบายเดิมเช่นเรียนฟรี15ปีการเรียนผ่านสื่อทางไกลกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษากยศแบบนี้เป็นต้นตลอดจนภาครัฐควรมีนโยบายจัดการเรื่องพ่อแม่ไวใ้ใจหรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพราะจะกระทบเรื่องของคุณภาพ ชีวิตของเด็กโดยตรงหากผู้ปกครองยังไม่มีความพร้อมในการดูแลซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นความท้าทายนั่นก็คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทยันนั้นเองเนี่ยเด็กจึงเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ต้องทํางานหนักกว่าพ่อแม่เพราะไทยกําลังขาดแทนบุคลากร น, นั่นเองอ่าอย่างที่บอกกันก็คือเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพรา ะ, ะนั้นเราต้องพยายามสร้างนะบุคลากรที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ที่มีจํานวนน้อยแต่ต้องมีคุณภาพให้มากขึ้นใช่แล้วนะครับนะคะราคาอีกหนึ่งเรื่องราวในวันนี้ที่จะมาคุยกันนะคะเป็นคําถาม ค, คือก่อนหน้านี้ที่ฉันก็มักจะเห็นคนคุยกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลาที่ใช้บริการแกป คือแก๊ปค่าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาพี่พงเพราะว่าเรากดปุ๊บเนี่ยมารับตามบ้านช่ไหแก๊ปใ บ, บเนี่ยก็กดรับเหมือนกันแต่ว่าเมื่อขับผ่านนะคะพี่พพพวินพี่วินอโมอเตอร์ไซค์บางที่ก็รู้สึกว่าไม่ปลื้มเสียวสลังว้าบเลยนะจะต้องกลายจาก <laughs> กลายจากลูกค้าและ ลูกค้าและผู้ให้บริการเนี่ยกลายมาเป็นพี่น้องเป็นแฟนกันก็มีนะเป็นพ่อเป็นลูกกันก็มีเป็นพ่อเป็นลูกกันก็มีกับบ้านดีดีนะคะพ่อก็มีเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่ากระทรวงคมนาคมเองเนี่ยพร้อมที่จะมีการผลักดันแกลบขารวมไปถึงแกลบใบด้วยนะคะที่จะมีเข้ามาสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายนะแต่ว่าเขากําหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นบริษัทสัญชาติไทยคนไทยที่จะมามทําตรงนี้เพราะว่าอะไรคะแก้ปัญหาบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาหารายได้นในไทยแต่ไม่เสียภาษีให้กับรัฐบาลค่ะ คือท่านรองประหลัดกระทรวงคมานาคมครับท่านจิรุธวิสารจิตในฐานะประธา น, นาคณะกรรมาการนะครับคณะทงานพิจารณาแนวทางการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้มีคณะทางานอย่างชัดเจนเขาบอกว่านโยบายเปิดเสรีบริการรถส่วนบุคคลร่วมเดินทางหรือไ right ร h ฮล l i n g Service เขาบอกว่า กระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการหาหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายส่วนโดยการได้ข้อสรุปว่าสามารถทําได้จริงทําได้นะโดยจะเริ่มจากบริการแท็กซี่หรือ g r a ็แท็กซี่ก่อนจากนั้นจะหาแนวทางแก้กฎพระากฎหมายพระราชบัญญัติขนส่งเพื่อเปิดทางให้รถจกักรยานยนต์ร่วมเดินทางหรือ Gra ็บไบคสามารถใช้บริการได้จริงแบบไม่ส่งผลกระทบกับวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในพื้นที่ปัจจุบันเดี๋ยวก็ตามนะครับกระทรวงคมนาคมจะเร่งสรุปรายละเอียดทั้งให้เสร็จสิ้นเนี่ย ภายในเดือนนี้โดยอยู่ระหว่างนี้เนี่ยต้องทำแอปพลิเคชันต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะต้องการให้ใช้เก็บค้าเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกใช้บริการ <c oughs> และต้องการทำให้เข้ามาอยู่ในระบบ ซึ่งกระทรวงคมานาคมเองจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์นิติบุคคลที่จะเข้ามาจัดตั้งด้วยนะค<ช>ือปะกะติเนี่ยเป็นของหน่วยงานภาคัฐของหน่วยงานจากภาคบริษัทต่างชาติใชมีหน่วยงานที่แบบเป็นถือหุ้นกันนะตั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ให้บริการหลังจากนั้นก็ทําหน้าที่ในการเสียภาษีส่งภาษีกันไปถูกต้องนะคะสําหรับแนวทางในการผลักดันแก้ข่าวนะคะก็จะมีการผ่านการแก้กฎของกระทรวงคมานาคมค่ะเพื่อรถสมบุคคล น, นั้นสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้นะคะกำหนดเงื่อนไขว่าต้องเรียกบริการผ่านแอปพลิเคชันเท นะห้ามวิ่งรับผู้โดยสารตามท้องถนนหรือว่าจอดรอรับผู้โดยสารตามจุดจอดของรถแท็กซี่นะคะป้องกันการทะเลาะวิวาทและจะมีการติดป้ายสัญลักษณ์บนรถยนต์สมบุกคลด้วยเพื่อแสดงว่ารถคันนี้เป็นผู้ให้บริการของทางด้านของ Ri ส e เฮลลิงเซอร์วิสนะคะโดยจะมีการใช้เงื่อนไขแบบนี้ในต่างจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของเรื่องการชําระเงินจะต้องเป็นนิติบุคคลไทยเท่านั้นมีการจะทําแอปพลิเคชันเพื่อนํา ม, มาขออนุ ญ, ญาตจากกรมการขนส่งทางบกโดยจะต้องชําระผ่านแอปพลิเคชันในมือถือหรือระบบสแกน QR Code คู practices practices ่ก okay. mm ับการชําระแบบการโอนผ่านบัญชีหรือการตัดบัตรเครดิตนะคะเพื่อการันตีว่าเงินทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบและมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องในประเทศไทยจึงในมอบหมายให้เอกชนนั้นไปพัฒนาระบบชําระเงินดังกล่าวนี้ด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถ้าหากว่าได้รับความเห็นชอบก็จะมีการส่งต่อให้กฤษฎีกาทบทวนร่างกฎกระทรวงคมนาคมนะคะก็คาดว่าน่าจะเริ่มได้ในปีหน้าช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะอืมอ้าว ทรงกำลังใจให้นะครับทุกส่วนแล้วก็บอเปิดใจใครที่เป็นที่บอกว่าแม็จะดีเหรอบางมีมุมหนึ่งก็ลองเปิดใจดูนั่นก็เป็นสิทธิ์โอกาสในการที่จะพัฒนานะครับในการที่จะมีทางเลือกใหม่ๆสำหรับผู้ที่จะใช้บริการนะฮะก็เห็นบอกว่าบริการต่างๆก็ยังมีคนที่ใช้บริการอยู่แล้วก็คนที่อยากต้องการใช้บริการอีกรูปแบบอื่นๆเป็นไป น, นี่ก็ได้หมดของกรอบข่าวชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับเจอกันได้ใหม่สุขหน้าเวลาเดิมที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลทัญบุรีวันนี้ผมปิปนนยพงศ์แคนดวทยพร้อด้วยคุณอาทิตยา ป, ปกากกทานังบอกลากันพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ